ตั้งใจให้ดีเรามาสุมนุมกันในที่นี้ก็เพื่อที่จะฝึกใจตรงนี้แหละไม่ใช่เพื่อมุ่งหวังอย่างอื่นพอใจตรงนี้มันฝึกยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าการฝึกอันใดในโลกอันนี้สู้ฝึกใจไม่ได้ ฝึกใจนี่แสนยากดังนั้นเราจะทำเล่นๆไม่ได้ต้องทำจริงๆต้องตั้งสติให้นแน่วแน่ สติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะ mm hmm. กรรมาฐานข้อนี้ย่อมเหมาะสมแก่ทุกคนเพราะว่าความคิดทั้งหลายมันแล่นออกไปกับลมหายใจเข้าออกนี่แหละถ้า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 เพราะว่ามันย่อมเป็นแกผ่ผู้มีชีวิตจิตใจอันนี้ฮขึ้นณชัวมีจิตใจอันนี้แล้วจะไม่มีคิดนึกไปในอารมณ์ต่างๆนะั้นไม่มียิงอยู่เราจะห้ามไม่ให้มันคิดเสียเลยก็ไม่ได้ผิดนี่นะแต่ว่าในขณะที่เรา ต้องการให้มันสงบเนี่ยเราก็ต้องสะกดมันไว้ต้องเพ่งรมหายใจเข้าออกทั้งสะกดมันไว้ด้วยจะปล่อยมันคิดเรื่อยไปอย่างนั้นมันไม่ได้คือมันไม่มีปัญญาแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยคนคิดมากๆไม่ใช่มันมีความสุขเมื่อไหรอ่อะ มีความทุกข์มากทีเดียวรำคาญก็รำคาญนั่นคิดไม่หยุดไม่หย่อนนี่ดังนั้นให้ภาันเห็นโทษของความคิดที่ไม่หยุดไม่ยัง่งอันนี้ให้ได้ผู้ดใดเห็นโทษแล้วก็ผู้นั้นก็จะเบื่อหน่ายในความคิดก็ไม่ ส่งเสริมความคิดบบบนี้นะมีแต่มุ่งให้จิตสงบในเบื้องต้นนะแต่ในตอนต่อไปนะั้นจึงค่อยใช้ความคิดแนั้นนะเมื่อจิตตั้งมั่นได้ดีแล้วก็กำหนดพิจารณาสิ่งที่ควรพิจารณาสิ่งใดที่ไม่ควรพิจารณาก็ไม่ไมพิจารณา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 สิ่งที่ทำให้คิดเบื่อหน่ายคลายความกลำลัดยินดีอ้นี่เป็นเรื่องที่ควรคิดเพราะว่ามันเป็นการละอุปทานความยึดมัน่นถือมัน่นไปเรื่อยๆก็ให้พิจารณาให้มันเห็นว่า ก, การที่เราจะได้มาทนทุกข์ คารมานอยู่ในโลกอันนี้นะก็เพราะความยึดถือนี่แหละเป็นปัจจัยความยึดถือเอาของไม่เที่ยงซะด้วยนะก็ออะนะรูปกายอันนี้นะมันเที่ยงมาจา่ไหนล่ะนั่นแหละใจมันหลงตังหากมันสำคัญเป็นของเราจริงจังที่แทมไม่ใช่ของเรา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 ดังนั้นเราต้องพิจารณาดูให้มันรู้มันเห็นความจริงเหล่านี้แล้วมันจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันก็ค ล, คลายความกําหนัดได้มันมันต่อ ก, กันไปอย่างนั้นคุณธรรมเหล่านี้นะเมื่อค ล, คลายความกําหนัดจิตก็วีมุตคือหลุดพ้นจากอาวสวะกิเลส ก็จะไม่ได้มาวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ต่อไปเมื่อละกิเลสได้เมื่อละได้เป็นบางอย่างบางอย่างก็ยังละไม่ได้ก็ะจำเป็นต้องเที่ยวมาเกิดอีกกรอนแต่ว่าก็เกิดดีถ้าบุคคลผู้ละกิเลสยำยาบออกได้แล้ว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 แม้จะท่องเที่ยวเกิดตายไปในสงสารมันก็ไม่มีกรมเวณตามสนองไปให้เป็นทุกข์เดือดร้อนในอัตภาพร่างกายอันนี้มาก็เป็นร่างกายที่สมบูรณ์ไม่ค่อยมีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนมีกำลังวังชาดีสามารถ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 หรือความประพฤติต้องละเอียดละอ่อกว่าคฤหัสถ์ผึกผููครองเรือนดังนั้นภาษาชดาจึงทรงบัญญัติพิขาบทห้ามในห้ามความประพฤติอันอยากคายต่างๆแม้ความประพฤติทั่วอย่างละเอียดเข้าไปก็ทรงบัญญัติห้าม ซึ่งไม่เหมือนคฤหัดคารืหัดนั้นดูจะความบัญญัติห้ามอันนั้นเป็นความประพฤติอย่างหยาบห้ามไม่ให้ประพฤติอย่างหยาบความประพฤติอย่างละเอียดเข้าไปพุทธบัญญัติอันนี้ยังไปไม่ถึงเพราะว่าทรงบัญญัติตามเพศตามภูมิของบุคคล อันผู้เป็นนักกวดนี่ท่านเรียก ว, ว่าอุดมปรเพศเป็นเพศอันอุดมจำเป็นก็ต้องมีความประพฤติละมุลละไมกวเป็นคาริหาครองเรือน<ม>เป็นอย่างนั้นดังนั้นไทยพึ่งพากันเข้าใจหน้าที่ของตนให้พึ่งพากันฝึกความประพฤติของตนให้เหมาะสม กับภูมิกับเพศของตอนตัวเป็นนักบวชอันนี้ต้องมีจัญยามารายาทละมุนละไมยอย่างดีที่เดียวก็จึงนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนผู้แสวงบุญพุทธศาสนิกชนผู้แสวงบุญก็ ต้องการทำบุญให้ท่านแกสาวกสงของพระพุทธเจ้าผู้มีความประพฤติดีมีจัร ญ, ญามรารยาทละมุลละไมดีนั้นแหละถ้าทายกทายิก า, าไปเห็นพระภิกษุสามเณรรูปใดมีจัน ญ, ญามรารยาทไม่ละมุนละไม กิริยาอาการหยาบโลนต่างๆแล้วมีความประพฤตินอกธรรมนอกวินัยออกไปเช่นนี้ทายกทายิกาทั้งหลายเขาก็ไม่เลื่อมใสไม่นับถือ่อ น, นต้องให้เข้าใจเพราะเขาก็รู้นี้ว่าพระสงฆ์สาวกของพระวูิภาคเจ้านี้ จะต้องปฏิบัติดีอย่างไรจะต้องวางตนอย่างไรจะต้องดำรงความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสมณภาวะอย่างนี้นี่ทายกทายิกาเขาย่อมรู้เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเป็นสมณะเนี่ยมันก็ต้องประพฤติตนให้ สมควรที่จะเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกให้ได้เพราะว่าบริษัทสี่เหล่านีนะ้ต้องอิงอาศัยกันการสร้างบุญสร้างกุศลไปสวรรค์ไปพระนิพพานก็ดีต้องได้อิงอาศัยกันอาพระภิกษุสามเณรก็ต้องได้อาศัยทา ย, ยกทายาิกา ผู้มีศรัทธาผู้มีศีล น, นั้นแหละผู้มีศรัทธาผู้มีศีลแล้วกย็ย่อมสละัตุปัจจัยทั้งสีมาบำรุงพระภิกษุสามนเณรผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระภิกษุสามนเณรก็ประพฤติตน ให้เป็นคนควรรับรักษีนาทานของทายกทายิกาให้ได้และก็ต้องศึกษาเรียนธรรมวินัยให้รู้ให้เข้าใจเพื่อจะได้แนะนำสั่งสอนทายกทายิกาผู้มีอุปการรักภูนเพราะการแนะนำสั่งสอนนี่ เราจะพูดกรงๆงไปเลยอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องมันนะ่ะถ้าว่าพูดกรงๆงไปเลยนี่คนก็เชื่อคนก็ปฏิบัติตามได้เลยเช่นนี้นี่พระพุเทธเจ้าก็จะไม่ได้ทรงสแสดงธรรมมากมายถึงป่านนั้นต้องคิดดู การที่พระองค์เจ้าทรงแสดงคำมากมายอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าพระองค์จะทรงแสดงแต่ธรรมะล้วนๆตรงไปตรงมาเลยอย่างนคนทั้งหลายไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะยินดีพอใจประพฤติปฏิบัติตามได้ก็ไม่ได้ประโยชน์อันใดพระองค์ก็ทรงเลือกแสดง แกบุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่แล้วเท่านั้นแหละท่านเหล่านั้นนั้นแม้พระองค์จ ะ, ะแสดงคำล้นลวนๆย่อยๆท่านก็พิจารณารู้ได้ตามได้ในทันดีเลยหลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหาได้เพราะฟังธรรมเพียงนิดหน่อยเท่านั้นแหละแต่ท่านผู้เช่นนั้นมีจำนวน น, น้อยอันผู้ที่ มีอินทรียังอ่อนอยู่จะต้องแนะนำสั่งสอนด้วยอุบายปริยายต่างๆมีจำนวนมากแต่ในครั้งพุทธการก็ดีกันตกมาสมัยทวารนี้มันก็ยิ่งแล้วอันบุคคลผู้ที่มีอินทรียังอ่อนเนะ่ะมีเป็นจำนวนมากทีเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้น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 จิตใจมันก็หวงกิเลสี้มากมายมันไม่อยากยอมละมันถอนมันเพราะฉะนั้นนะมันจึงจำเป็นต้องมีอุบายแยบคายลอย่างถอนตัวเองก็ดีถอนผู้อื่นก็ดีจึงมีอุป ม, มาอุปมาเช่นอย่างพระศาสดารงแสดง ยกอุปมาร่างกายนี่เหมือนกับหม้อที่นายช่างเขาปั้นแล้วมีทั้งอย่างสุกมีทั้งอย่างดิบมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทั้งหมดนั้นย่อมมีความแตกสลายไฟเป็นธรรมดา ผลสุดท้ายนะเมื่อใช้ไปใช้ไปมันก็แตกหลับได้ฉัน้นใดร่างกายอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นเลยเมื่อรองิงมิตได้มาอาศัยมันใช้มันทำกุนสนคุณงามความดีไปเหนือบุคคลผู้ไม่รู้ไม่ฉลาดก็มาใช้กายวาจาอันนี้ทำชั่วพูดชั่วไป นานเข้ามันก็สึกหลอไปในที่สุดมันก็แตกดับทําลายไปนี่ก็เช่นเดียวกับหม้อนั่นเลยพระองค์เจ้าทรงสแสดงอุปมาอุปมาอย่างนี้เลยแล้วผู้ฟังเมื่อไหายก็เอาไปคิดไปตรองเปรียบเทียบกันตามที่พระองค์เจ้าแนะนำนั้นก็ย่อมเห็นจริงตาม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 เราสิโมเมเอาว่าเป็นของเรานั้นไม่ได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเราขอยืมสมบัติของพญามัจจุราชเขามานั่นเอง ย, ยืมมาอาศัยสร้างบุญสร้างกุศลสั่งสมสติปัญญาความรู้ความฉลาดให้เกิดขึ้น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 ทำการค้าขายก็ว่าได้คือมาสั่งสมบุญกุศลนั่นแหละเรียกว่าจว่ามาว่ามาค้าขายก็ได้ที่นี่เมื่อมีกำไรแล้วทุนก็ต้องส่งคืนเขานั่นมีกำไรอย่างไรอ่ะมีกำไรก็คือเราได้บุญได้กุศลตั้งมั่นอยู่ในใจ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 ทรงต้นทุนคืนใ้เขาไปอันผู้มีปัญญาได้พิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วก็จึงไม่นิ่งนอนใจเพราะว่าชีวิตนี้มันมีขอบเขตจำกัดเหมือนกับเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมีหม้ออย่างที่พระศาสดาทรงเปรียบไว้นั่นเองเป็นต้นยอมไม่จีรังยั่งยืน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 เห็บไข้ได้ป่วยต่างๆเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ตัวร้อนเดี๋ยวก็ปวดท้องเป็นหวัดเป็นไอสารพัดแต่มันจะอิบัติแปรปรวนไปดังนั้นควรพิจรารณามันเห็นแจ้งแล้วมันจะได้เบื่อนายเมื่อเบอื่อนายมันก็คลายความกำหนัดยินดี ทั้งรูปร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ด้วยเล้วก็คลายความกำหนัดยินดีในรูปอื่นด้วยรูปอื่นมันก็มีสภาวะเหมือนกันนี่แหละไม่แตกต่างกันเลยนั่นดังนั้นเราต้องพิจารณาเมื่อทำใจให้สงบรงไปแล้วนะอย่าไปนั่งโงกง่วงอยู่เฉ ย, เฉย เห่งพิจารณาดูให้มันเห็นเมื่อเห็นรูปแลรกก็เห็นนามด้วยกันนั่นแหละเพราะว่านามรรมาทำมันก็อาศัยอยู่กับรูปร่างกายนี่แหละกับจิตนี่เองเนี่ยไม่ใช่เอาไปอาศัยอยู่ที่อื่นหามีได้เมื่อเห็นรูปแล้วก็เห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณ เมื่อตามสภาพความเป็นจริงแล้วก็ให้ปล่อยให้วางไว้ตามสภาพอย่าไปยินดียินร้ายกับมันเมื่อวางไว้ได้จิตใจมันก็รวมลงมันก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบนันนี้เดียวว่าก็รู้เท่าร่างกายนี้ตามความเป็นจริง เมื่อจิตมันตั้งเป็นปกติอยู่ได้ก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ให้ได้อย่าให้ความรู้ความเห็นเช่นว่านี้มันเตื่อมไปดังแสดงมา